ข้อความเจริญในธรรมจุงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมพระโพธิญาณในวันนี้ก็คงประรบเรื่องขันติบรารมีต่อไปขันติคือความอดกลั้นความอดทนความทนทานความอดออมบางครั้งบางคราวนั้นอาจจะต้องทนกล้ำมกลืนนะเราลองสังเกตว่า อย่างในประวัติศาสตร์หรือพงศาวดารของจีนบางทีมันบังคับแม่ทัพนายกองให้ลอดระหว่างขาเข้าไปก็ เ, เห็นแก่การยาวนานเนี่ยรักษาชีวิตเอาไว้ท่านก็ยอมนะและในที่สุดกติของจีนจึงแรงแค้นสิบปีแก้แค้นก็ยังไม่สายเลไรต่เ ัะดับนะความคิดจริงแรงเพราะว่าสังคมมันแบ่งแยกแล้วก็ท้าทายข่มขู่สุมาพรูถูกดูมินกันคือศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันถูกกระทำย่ำยีมากแล้วก็รุนแรงกันอยู่จนถึงปัจจุบันนะฮะมีข้อหนึ่งที่รับสั่งว่าความอดทนนำมาซึ่งประโยชน์สุ บนเส้นทางที่จะเข้าไปสู่การได้มาซึ่งลาบก็ดียศก็ดีสรรเสริญก็ดีความสุขก็ดีไม่มีอะไรที่ไม่ต้องอดทนการทํางานเพื่อได้มาซึ่งผลประโยชน์ในลักษณะต่างๆที่าศาสนาสัตว์เรียกสรุ ป, ปรวมมาเป็นลาบเนี่ยมันจะต้องเหนื่อยยากลําบากแล้วก็รู้จักในการบริหารจัดการการทํางาน อย่างที่พระเจ้าทรงแสดงถึงความสุขของคนเอาไว้ว่าเราโดยสรุปแล้วความสุขของผู้ครองเรือนเนี่ยมันจะมีอยู่สี่เรื่องใหญ่คือเนื่งความสุขที่เกิดขึ้นจากการมีทรัพย์ทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์แต่ใจเราต้องรู้สึกว่ามีด้วยนะเรารู้สึกว่าพอด้วยเพราะปัญหาเศรษฐกิจของเราในปัจจุบันเนี่ยที่จริงไม่ใช่ปัจจุบันแนละ้โลกมันเป็นอย่างนี้เอ ง, เอง คือมันมีไม่พอกับคำว่าพอไม่มีมีไม่พอก็คือพวกยากจนแม้จะแก้ไขยังไงเนี่ยก็ไม่พอต่อการที่จะขจัดปัญหาต่างๆเขาได้แน่นอนคนเหล่านี้ก็ต้องอาศัยการสงเคราะห์จากชุมชนจากองค์กรบุคคลคณะบุคคลตลอดถึงจากรัฐแต่คนบางกลุ่มเนี่ยรู้สึกว่าพอไม่มีเลย ก็แกรู้สึกว่าพร่องตลอดรู้สึกว่าได้น้อยตลอดอันนี้จะยากมากมันต้องแก้ที่จิตใจของเขาแล้วนั้นบนเส้นทางของการใช้ความเพยายามซึ่งได้มาที่ถึงลาภผลเนี่ยหมายความว่าส่วนหนึ่งในใจเราต้องปรับรู้สึกว่ามีรู้สึกว่าเราได้แล้วเรามีแล้วเราเป็นแล้วแล้วก็ถึงจุดหนึ่งก็คือเราพอแล้ว ก็ยังนึกถึงประโยชน์สั้นๆอย่างนี้อย่างท่านรัฐบุรุษตนเอกเปลมตินาสุรานนท์ในท่านกล่าวตอนที่ท่านไม่ยอมรับตําแหน่งนายกสุนตรีแต่ต่อมาคุณชาติชายเป็นนายกประโยคนังไพโรผมพอแล้วเห็นไหมสามคานั้นผมพอแล้วเนี่ยแ้วเป็นคาที่ยิ่งใหญ่มากแล้วปรากฏว่าท่านก็ได้รัฐบุรุษตอนนี้เป็นประธานองค์มนตรี ได้รับรางวัลได้รับยกย่องเคารพนับถือจากบุคคลทั้งหลายเป็นอั่ามากหมายความมารู้จักควบคุมความปรารถนาของตัวเองอยากได้อยากมีอยากเป็นมันก็มีแหละแต่ว่าถึงจุดหนึ่งมันต้องรู้จักพอบ้างคือยังมองแนวความคิดตัวนี้มาอย่างชื่นชมชาบ้านนะะชาวบ้านที่เรารู้จักเนี่ย บางคนอายุก็58 59เนี่ยก็เริ่มถอนตัวแล้วเริ่มมอบมาให้ลูกทำงานตัวเองก็เริ่มหาความสงบบางคนก็เข้าวัดบางคนก็เข้าศึกษาธรรมะบางคนก็ไปพักผ่อนอะไรต่างหคือปล่อยวางแต่แนวตรงนี้พระรู้สึกว่าทำกันไม่เคยเป็นลาไม่เคยเป็นรอจยเพื่อนโปรดไปตอนนี้ก็เสีย80นะฮะ เกษียณแปดสิบถูกเกษียณยังเสียดายอยู่เลยทั้งๆที่ว่าข้าราชกา ร, กกรเ็าเกษียณหกสิบเนี่ยเขาดีใจพราบางทีกเกษียณแปดสิบยงเสียใจแต่บางก็ผิดอยู่หน่อยนะะโครงสร้างของพระเนี่ยพระบางทีอายุตัอหกสิบกว่าแล้วเนี่ยไม่มีตำแหน่งหนะ้าที่การงานอะไรเลยนะเพิ่งตั้งขึ้นมาจวนจะตายไม่ตายแลวเนี่ยก็ตั้งงานไว้เยอะ ทำทำงานเ๋ยวไม่กี่ปีหมดแรงเลยก็ตายไปดิปดนั่นก็แสดงว่าสรงเนี้ยมันก็ต้องอดทนการได้มาการรักษาการหวงแขนการดูแลทั้งหมดเนี่ยมันต้องต้งใช้ความอดทนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าความสุขเนี่ยเกิดจากการมีทรัพย์การใช้จ่ายทรัพย์เจวเนี้ยมันก็ต้องไม่อ่อนไหวต่อไอ้การโฆษณาเชิญชวนจักชวนต่าง เราอ่อนไหวลดแรกแจกแถมซื้อน้ำจ่ายนี้ในที่สุดมันก็บริหารทรัพย์ไม่ไหวแล้วมันก็เป็นไม่ได้เพราะรายได้จะไม่พอจ่ายอย่างนั้นเองที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือความสุขที่เกิดขึ้นจากการไม่รู้สึ ก, กว่าตัวเองเป็นหนี้วันก่อนดูข่าวโทรทัศน์เล็กๆกันนะแต่เราก็ดีใจมาก ก็มีคนไทยเกาะกลุ่มกันที่ต้องการจะซื้อหุ้นของธนาคารธนาคารของเรานะธนาคารไทยอะ่ะที่ต่างชาติจะมาซื้อรู้สึกว่าฮ่องกงจะมาซื้ออะไรเนี่ยธนาคารอะไรจีน อ, นอุขลอ่ะแล้วคนไทยก็ช่วยซื้อกันเองความคิดนี้เป็นความคิดดีมากะนะฮะแล้วถ้าเราตั้งใจที่จะช่วยกันซื้อหุ้นต่างเนี่ ดีก็เล่นรถเล่นอะไรเยอะเลยนะที่ก็เอารถ500 Ben S 500อะไรต่ออะไร600มาขับเล่นกันเนะี่ยมาช่วยกันอย่างนี้ยังดีกว่าเลยเพราะอย่าลืมมา้า้าคก็คุมทุเนเงินบ้านเราได้เนี่ยเราก็เป็นนานาณีคมเขาแล้วมีนายคนหลงังนายจีนนายนั้นนายญี่ปุ่นนายอะไรตายนายเยอะเลยอยูก่กระเป๋าตามคนต่างชาติกันอยู่ แล้วเราก็ตกเป็นนานาในคมของเขาแล้วก็ซึมซับนะซึมซับสิ่งต่างๆขงเขาก็กลายเป็นเศรษฐกิจกลายเป็นวัฒนธรรมกลายเป็นสังคมกลายเป็นอาหารเป็นภาษาไปาหมดเลยนะฮะลากกันไปเป็นแถวนี่ก็คือต้องอดการอดทนเหมือนกันยอมเหน็ดเหนื่อยยอมทุกข์ยากยอมลำบาก เคยได้มาซึ่งความเป็นไทยรวมๆเนี่ยความเป็นไทยโดยไม่ตกเป็นอาณานิคมด้านจิตวิญญาณกับใครการเป็นหนี้เป็นสินจะต้องมีที่มาที่ไปชัดเจนว่าเป็นหนี้เนี่ยการกู้หนี้เนี่ยมันง่ายนะแต่ใช้หนี้นี่ยมันยากอันนี้คือสิ่งที่คนไม่มอง แล้วคนใดที่คุณคุณก็พยายามเตือนก็เรื่อยนะบอกว่ากู้นี้เนี่มันง่ายนะคุณนาแต่เขาให้เนี่มันง่ายแต่คุณอย่าลืมวาการที่เราต้องกู้นี้เนี่ยเพราะเราไม่มีเสถันแล้วคุณกู้ไปถึงที่คุณก็จ่ายจ่ายก็ไม่มีไรายได้ย้อนกนลับเออถ้าเอาไปลงทุนประกอบธุรกิจอะไรที่มีความชัดเจนบอสมควรมีตลาดรองรับอะไรเอาไว้แล้วเนี่ยมันก็อีกเรื่อง และที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือความสุขซึ่งเกิดขึ้นจากการทำงานที่ปราศจากโทษตัวเงี้ยชักยุงต้องอดทนเยอะนะฮะเพราะว่ายุคสมัยคตินิยมความเชื่อถือของคนในยุคปฏิบัติมีไม่น้อยเลยนะแกพูดหน้าเฉยตาเฉยแล้วพูดจริงด้วยแกบอกว่าถ้าต้องการจะรวยนี่ต้องโกงถ้าไม่โกงเนี่ยจะไม่รวยหรอก ถามว่านี่พูดเล่นหรือพูดจริงเขบอกว่าจริงๆนะอาจราจรย์นะพูดจริงๆเราต้องโกงจึงจะรวยถ้าไม่โกงไม่รวยเราก็สยองเลยนะความคาพูดในลักษณะนี้ขึ้นมาแสดงว่าความคิดมันวิปริตไปเยอะเลยและแม้แต่กระแสความคิดในยุคหนึ่งนะฮะแล้วก็นํามาสู่ปัญหาในยุคปัจจุบันเนี่ไม่น้อยเลยเราเรียนเก่งความรู้สูงต้องรวยเร็ว สามคำนี่ยเราเรียนเก่งความรู้สูงต้องรวยเร็วเธอก็ต้องใช้ตัววิธีทางอย่างที่โบราณมันบอกว่าไม่ได้โดยเลขก็เอาด้วยโกนไม่ได้โดยมนก็เอาโดยคาถาบานหุ้นอะไ ร, รก็เล่นกันสารพัดเลยบนก่อนเนี่ยมีเขาอัดเทพเรื่องพระเขาเล่าเรื่องวัดสํานักแห่งหนึ่งมีวิธีหาเงินนะะ โดยความแล้วก็ก็น่ากลัวว่าการประพฤติพรหมาจรารย์แบบนัก บ, บวชเนี่ยคือว่าถูกประสงค์กับการบวชมันจริงจิงมันมีอยู่สี่ข้อแต่นั้นเองเพื่อสํารวมระวังอาการกายวาจาใจของตอนเองไนมะ่เป็นพิษเป็นภัยต่อตอนเองและคนอื่นเพื่อละความโลภความโกรธความหลงให้ลดน้อยถอยลงไป ย่ายตกเป็นาธาตุของกิเลสย่ายเป็นาธาตุของอารมณ์แล้วเพื่อคลายไม่ได้หมายความมาทำได้รวดเดียวนะเวราคะนี่คือคลายความกับหนักความยึดจิตในสิ่งทั้งหลายแล้วเพื่อดับดับกิเลสจากอยาบอยากไปหาละเอียดก็ดับไปเท่าที่ดับได้นะและจนถึงดับที่ได้สมบูรณ์นั่นคือเนื้อหาเท่านั้นนะ เันคุณลักษณะของนักบวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยคือไม่เบียดเบียนใครเท่านั้นเองนะโดยเนื้อหาสาระแล้วคือเท่านั้นเป็นผู้ไม่เบียดเบียนใครท่านเรียกว่าอภิจญากับปฏิปทาเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นฆาตศึกกับใครๆส่วนใครจะคิดว่าเราเป็นฆาตศึกเราก็ช่วยไม่ได้นะฮะเพียงแต่ว่าเราเองอย่าคิดเป็นฆาตศึกกับใครๆ สัปนะจึงไม่เป็นค้าศึกในโลกโดยหลักการปฏิบัติท่านจึงใช้คำสั้นๆง่ายๆนะะมันเป็นเหตุอยู่สองอย่างที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนเข้าไปสู่สภาวะของไอหิงสาธรรมท่านใช้คำว่าอหิงสาสัญญโมธ โ, โมอหิงสานั้นคือเป็นเนื้อหาของความเป็นพุทธบริษัทนะจริงๆไม่ได้จดเจาะจงพระรอกพุทธบริษัทเราก็เหมือนกันคืออหิงสานั้นได้แก่ไม่เบียดเบียน แอย่าลืมมาตรงนี้ต้องใช้วิริยะความเพียรต้องใช้ปัญญาความรอบรู้ต้องใช้ศีลเป็นเครื่องมือต้องใช้สัจจะต้องใช้อธิษฐานต้องใช้ขันติจึงจะรักษาสถานภาพตัวเองไว้ได้เพราคนเรามันมีจุดหนึ่งมันมีความจากัดเท่ากันอ ด, อดทนมา ถ, ถึงจุดหนึ่งเนี่ยเอาไม่อยู่เหมือนกันเรานึกภาพของทศกัณฐ์ตอนที่แกบำเพ็ญตบะ มาความมาถ้าแกผ่านตาบาตรงนี้ได้แล้วเนี่ยคือหัวใจมันไม่หยู่ในตัวกองแกมันอยู่ที่อื่นเพรา ะ, ะนั้นใครฆ่าจะไม่ตายแล้วก็แม้จะไปทำลายหัวใจเองแกก็จะไม่ตายนะว่ากันอย่างกันนะเพรา ะ, ะั้นพรรามก็ส่งอนุมานไปทําลายพฤติกรรมตระการตระกา ร, ร, การนี่แข็งมากเลยอดทนมาหาศาลมากเลยขนาดเป็นพยาญาตนะฮะแต่อดนทนเต็มที่อนุมานทํำยังไงไม่โกรธเลย ก็โกรธไปได้มันมีกรธตัว อ, อย่างหนึ่งตาบะมันจะไม่เกิดมันโกรธไม่ได้ฮนุมานก็หาจุดอ่อนมันจะทํำยังไงใะโทศกาณโกรธได้แต่แมนและตะบะมันก็ยุ่งในที่สุดมันก็ไปดึงเอานางมณโฑพระชายามาทํำปุยีิปุยมฮันุมานก็เกินไปนะหนมมังมณโฑนี่ช่งเป็นนาสะพายนะเป็นนาสะพายฮอนุมานเนะี่ยทศกาณฐ์ก็ตาบะแทก เพราะในจุดอ่อนตรงนี้มันมันมันเป็นจุดที่มีความสำคัญอย่างเหมือนกับตอนที่กุมภกรันไปรับห อ, อกโมกษะจะเห็นว่าพวกนี้ก็ปลอเป็นหมาเน่าเป็นอีกาจิกหมาเน่าลอยมากุมภกรันคนดังเกลียดเลยรับไม่เสร็จแต่รับเสร็จแล้วก็พรามก็ไม่รอดเหมือนกันนั่นเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าอารมณ์ที่มากระทบเนี่ย ถ้าเราไม่อดทนได้จริงๆมันถึงจุดหนึ่งเราอดทนได้เห็นไมทั้งกุปการทั้งทศกานเนี่ยตายทั้งพี่ทั้งน้องเนี่ยเพราะว่าขาดความอดทนนัคนกูลยราาับผอกโมกษะก็ไม่สมําเร็จแล้วก็ทศกาบนบําเพ็ญตะบะเนี่ยก็ไม่สมําเร็จเพราะอะไรเพราะว่าขัานติมันเป็นขันแตกเกิดผลผล์ผลประโยชน์สุขก็ไม่ได้ แต่คนที่เขาอดการอดทนได้เนี่ยเขาก็ได้ประโยชน์สูงผลเส้นทางของความเพียรพยายามไม่ว่าจะของใครก็ตามเลยเขาประสบความสําเร็จมาเนี่ยถ้าเราไปฟังผลไม่ใช่ฟังเหตุที่ให้เกิดผลก็จะเห็นว่าไม่ใช่ธรรมดาเลยคนเหล่านั้นเขาเหมาะควรที่จะได้อย่างนั้นแล้วเราก็น่าจะชื่นชมเขาที่เขาได้อย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้น เพราะอะไรเพราะเาความเพียรแรงเหลือเกินอดทนเหลือเกินใช้เหตุผลสติปัญญาเหลือเกินไม่วหวาดวั่นไม่ทอ้อถอยตัวประสัทอันตรายทั้งหลายเนี่ยดังนั้นบนเส้นทางที่จะไปสู่ความสุขเนี่ ก, กี้เราพูดถึงตัวผลนะนะพอความสุขเหล่านั้นแ่ะมันจะยึดม่เป็นผลแต่จะต้องอาศัยเหตุพระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่า อุธฐานะสัมปทาคือสมบูรณ์ด้วยความหมั่นขยันในการปฏิบัติภารกิจการงานไม่คำหนึ่งถึงความเหนื่อยยากลำบากหลังสู้้าหน้าสูดินเหนื่อยเหนื่อยยังไงก็ตามแล้วก็ยามุมาณธรรมตรงนั้นลองสังเกตอะตัวนี้มีวิริยะมีปัญญานะะมีวิริยะมีปัญญามีสัจจะมีขันติแล้วก็อาจจะมีอธิษฐาน ไม่ได้ต้องได้ไม่เป็นต้องเป็นไม่รู้ต้องรู้ไม่เข้าใจต้องเข้าใจทุ่มเทชีวิตจิตใจลงไปจริงๆแล้วในสุดท่านก็ประสบความสาเร็จเพราะได้มาแล้วเนี่ยมันต้องต้องมีลักษณะอย่างหนึ่ง เ, เรียกอารักษสรร์สมบัาคือสมบูรณ์ด้วยการรู้จักบริหารจัดการกระรสบับกระสับตอนนั้นหมายความว่าโอ๊ก้าโนทนต่อความอยากความอยากของคนบางคนเนี่ย มันเพิ่งได้เมื่อตอนเป็นผู้ใหญ่แล้วเราต้องเก็บปดออมถนอมใช้ไว้จนแน่ใจว่าถ้าซื้อสิ่งที่เราอยากได้ตั้งแต่เด็กๆ เ, เนี่ยไม่ไปสร้างปัญหาแล้วจึงจะซื้อบางคราวบางคราวก็ต้องรอนานนะคันในการบริหารการจัดการกระซับสรงสอนว่าทรัพย์ที่ได้มาเนี่ยแบ่งออกเป็นสี่ส่วน อาจจะแบ่งเป็นเดือนก็ได้นะฮะเป็นเดือนก็ได้เช่นว่าเงินเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยมันได้เท่าไหร่เราแบ่งเป็นสี่ส่วนสองส่วนใช้ประกอบธุรกิจต่อไปหนึ่งส่วนใช้บริโภคใช้สอยสองส่วนใช้เก็บออมรักษาไว้แต่เละจุดเนี่ยต้องอดทนทางนั้นเลยหมายความว่าการที่ลงทุนไปแค่สองส่วนเนี่ย ก็รวยช้าลงอะนะฮะแล้วในขนาดเดียวกันจ่ายแค่หนึ่งส่วนเนี่ยต้องระเบียบเกษียนแล้วตรงนี้ต้องอดออมด้วยล่ะต้องบริหารทรัพย์เท่านี้ให้จ่ายภายในหนึ่งเดือนให้ได้วัชลาดในการบริหารการจัดการและถ้าเราอดทนไม่ไหวเนี่ยไอ้ส่วนที่เก็บเส่วนมากมันจะโดน ก็พยายามตักเตือนพวกลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่มาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยพอเขามีลูกก็เรียกมันเตือนเขาพอพัญญาเริ่มมีคันนี่ยเาแต่งงานเราก็แนะนำให้เขาฝากสตางค์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียนของลูกและไม่ใช่เบิกตอนนี้เบิกตอนเมื่อลูกขึ้นระดับมาาหาวิทยาลัยแล้วหรือว่าโตไปแล้ว แต่ว่าส่วนใหญ่ไปเจอพอเรียกมาถามมันมันนังเก็บได้ไม่จริงเป็นความดีวัวเต่าคือปรกปรโปรโ ป, รปรบางคนนี้หมดเลยนะเอาเขาลูกมาจ่ายหมดเลยนั้นแสดงว่าเอาไว้จริงบนเส้นทางตัวเด็กมันไม่ใช่เรื่องง่ายมีการประหยัดอดออมจะเรียกว่าสมัชีวิตาคือเลี้ยงชีวิตพอสมควรแก่กบบังทรัพย์ของเรา ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปไม่พุ่งเฟือยจนเกินไปไม่ผูดเพึ่งจนเกินไปแต่นั่นก็ยิ่งบอกว่าความอดทนนี่เป็นเครื่องประดับของนักปราศหรือคนฉลาดต้องเห็นคุณค่าความอด ท, ทนบางทีที่เรามองนะว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารเห็นไหมว่าการว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมาร ไม่ความก็ด่ามาเราไม่ด่าตอบเขาประทุษร้ายเราไม่ประทุษร้ายตอบเราหลบเรหลีไปนะฮะมันจะยืนในเขาประทุษร้ายอยู่คือตั้งมองในแง่สังคมเนี่ยเราเป็นคนขี้แพ้แต่มองในแง่ธรรมะเนี่ยเราเป็นผู้ชนะเพราะแพ้คนเนี่ยมันมั น, ม, นมันชนะคนก็นไม่รู้จะเลาทำอะไรนะ ราว่าชนะแล้วมันก่อเวรแต่คนเราที่ชนะจริงๆต้องชนะใจตัวเองคือชนะกิเลสที่มีอยู่ภายในใจเราเองได้ชนะตัวเองพวกง่ายปะอัตต า, าเหวชิตังไสยโยชนะตุก น, นั้นแหละเป็นการดีประเสริฐสุดนะที่จริงๆเราคงได้ยินนะะรับ ม, มีสํานักหนึ่งที่ชอบไปลูกศิษย์กล่าวชิตังเมชิตังเมแปลว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้ว ทุ่มนองชนะคนอื่นแต่ที่จริงพาสิต ร, ตรงนี้ยคํากล่าวตัวเนี้ยมันเป็นชนะความสนีภายในใจตัวเองสนีความเสียดายเอาชนะความเสียดายความสนีความหวงซึ่งมีอยู่ภายในใจตัวเองเราเอามาใช้มันก็ผิดฟ้าผิดตัวหน่อยแล้ว ก, กลายเป็นการสร้างเวททั้ง p a i กันเพราะนักปราดเนี่ยจะไม่รู้อํานาจแกอารมณ์ จะไม่แสดงอาการอะไรให้เห็นประสบทุกประสบความสุขเนี่ยไม่ใจไม่ใจขึ้นขึ้นลงลงแต่จะอดกลั้นอดทนในลักษณะที่เป็นพิเศษอย่างงานบางอย่างเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างพระที่เข้าไปในงานบางอย่างเช่นว่าในพิธีหลวงอย่างเนี้โอ้ไม่ใช่เล่นนะนั่งก็นั่งตรงนั่งตัวตรงแล้วก็เรียบร้อยขยับก็ยึกยุกขยุกขยิบยยยยยไม่ได้เลย อันนี้ก็ต้องฝึกปืนต้องอดทนอดกลั้นแต่สุขภาพพลานาไ ม, ไ ม, ไม่ดีแล้วเนี่ยมันก็บากมือแก่อันนี้คือหลักในการใช้ชีวิตของเราเองมันเป็นเรื่องของคนที่มีเหตุผลมีสติปัญญาว่าไม่อดทนไว้แล้วเนี่ยมันจะเสียหายปเปล่าๆเกิดมาเขา ย, ยั่วยวนเขายั่วยุเนี่ยก็าดามาราดาาต่อ เขาประหารมาประหารตอบก็ตะลุมบอลกันแล้วมันได้อะไรมันมีแต่เสียก็เสียได้บาปด้วยผิดกฎหมายด้วยก่อการทะเลาะวิวาท ด, ด้วยอาจจะบาดเจ็บด้วยโอ้ยที่ตามมันนั น, ย เ, ยนเยอะเลยปัญหานเยอะเลยเพรา ะ, ะนั้นถ้าเราอดทนได้มันก็ตัดกระแสะปัญหาไปหมดเลยเออถ้าเขาดา่ามาเข้ามาเป็นหอกเป็นแหลนเป็นหล้าวมามก็อีกเรื่องแบบงี้นะมันก็เป็นลมเป็นแรงนะเป็นปรุตสวาสที่ออกมาจาก วาจาเรียกสำลักออกมาเฉยๆเรื่องอะไรในเราจะเอหัวไปรับมาก็ทาใจสบายเลมองให้เป็นการ์ตูนได้เลยทำเฉยๆก็ปล่อยกูอยากด่าก็ด่าไปจิตใจเราก็สบายเพรา ะ, ะนั้นความอดกลั้นความอดทนความทนทานความอดออมเป็นอุบายวิธีในการป้องกันความชั่วที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น ที่เกิดแล้วก็จะลดน้อยถอยลงไปแต่ในขณะเดียวกันพลังแห่งกุศลและธรรมมันก็จะมีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นคนเราอดทนได้ครั้งหนึ่งต่อไปก็อดทนได้เพราะมันเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดก็จะอดทนได้มากๆขึ้นจนหลายๆเรื่องนี่เป็นอัตโนมัติทั้งฟังทั้งหลาย แต่รมพระโพธยาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามพบูบณ์ในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยตัวกันสวัสดี